นี่มาขึ้นอีกข้อหนึ่งต่อไปข้อ126ว่าภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรวดีแล้วขอรับใต้เท้าอย่างนี้ก็กล่าวเปลี่ยนถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าขอรับยังมีอีกหรือไม่เหตุหรือปริยายแม่อย่างอื่นที่จะให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแกลน ม, มาสู่พระสัตรธรรมนี้ บอกโอ้ตอบแล้วก็ถามอีกตอบแล้วก็ถามอีกถามยิ่งยิ่งยิ่งิ่งขึ้นไปถ้าไม่ใช่ถามภาษารเบลดเนี่น่าเรือ่องน่าดูเหมือนกันนะ <c oughs> มีว่าถามคนมีปัญญาถามถูกที่าถามถูกแหล่งข้อมูลถามผิดแหล่งนี่ยุ่งเลยภ <c oughs> าษาเรเบลดก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็กล่าวว่าคนด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัด วิญญาณรู like ้ชัดเหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้ถามว่าวิญญาณคืออะไรเหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรความดับของวิญญาณคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณคืออะไรตอบว่า วิญญาณนี้มีอยู่6หมู่6พวกวิญญาณที่วิญญาณทางตาเรียกว่าจักรคูวิญญาณอ่ะนโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณคานาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณเนี่ยนะคือวิญญาณที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณเกิดจากทางตาเรียกว่าจักรคูวิญญาณวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณเกิดทางจมูกเรียกว่า ขานวิญญาณวิญญาณเกิดทางเลนเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณเกิดทางกายเรียกว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดในมโนเรียกว่ามโนวิญญาณแสดงว่าวิญญาณนี้มีหลายอย่างวิญญาณทางกายอย่างหนึ่งวิญญาณทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนี่อย่างหนึ่งรายละเอียดพิสดารก็ในจิตตานุปัสสนานั่นนะวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะสังขารเกิดนะถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับ อาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณถ้าดูแล้วเนี่ยอาริยมรรคประกอบด้วยองค์แปรักษาได้ทุกโรคจริงๆแก้ได้ทุกอย่างเลยนะข้อปฏิบัติสายกลางนี่ดีจริงๆดับได้ทุกเรื่องเหมนนเะเห็นโทษของอะไรก็ใช้มรรคแปดเหมืนกันเถอะเป็นทางตรงจริงๆนะเนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิ มันถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติจริงๆให้ถือเอามักแปดเป็นหลักนะถ้ามุ่งจะปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งเอามักแปดเป็นหลักก็ขอกว่าถ้าไม่ครบแปดถ้าขายอะไรละ่ะขายอะไรก็ระวังเหมือนกันนะบรรลุไม่ได้หรอกถ้าใช้แต่อะไรบางอย่างเอาสมัยนี้ถ้าชอบขายอะไรสํานักวิปัสสนาสํานักสมาธิสํานักนี้รักษาแต่ศีลก็แบ่งๆเป็ น, ปนขายคนละมกักคนละมกักนะแต่ว่าที่แน่ๆก็มักนี่แปลว่าชอบก็มีนะ ก็ถือเอาตามชอบอะนะแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะถือเอาข้อปฏิบัติที่ดับที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงก็ต้องมักครบองค์8ดต้องครบ8ดนะครบ8ดเนี่ยมาไลา่ดูแต่ละองค์เลสัมมาทิฏฐิรริยสัจอริยสัจก็เนี่ยแหละในธรรมะกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่กี่กี่หัวข้อบอกมีส5บห้าหัวข้อใหญ่เนี่ยนะพัน้าไม่เกี่ยวกับสิห้าหัวข้อใหญ่ก็ไม่น่าจะใช่สัมมาทิฏฐิแล้วล่ะ และสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะเป็นต้นนะถ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาต้องเว้นจากวจีทุจริตสัมมากัมมันตะเว้นจากกายทุจริตสัมมาชีวะเป็นอาชีพที่เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็สัมมาวายมะต้องเป็นสัมมประธานสสัมมาสติต้องเป็นสติประธานสี่สัมมาสมาธิต้องเป็นไปกับฌานสี่แล้วครบทั้งแปประชุมกันนั่นแหละจึงจะเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่เป็นไปตามนั้นไม่ใช่นี่ยนะ ก็เลื อ, เอาว่าจะเป็นสาวกของผู้ใดเนี่ยนะถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเคร่งครัดในหลักวิชาเหล่านี้จึงจะเป็นไปตามคําสอนเพราะพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าตรัสรู้เช่นใดสาวกของพระองค์ก็ตรัสรู้ตามเช่นนั้นดูว่าพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรแสดงธรรมไม่ขัดกัน น, นะไม่ขัดกันสรุปว่าอุโสเมื่อใดเละอริยสาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณอย่างนี้เหตุเกิดแห่งวิญญาณ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 มาสู่พระสัตวธรรมนี้ดังนี้เนี่ยนะคำอธิบายเพิ่มเติมพิเศษวิญญาณในทวารตาเรียกว่าจักรคูวิญญาณเพราะเกิดจากตาเกิดจากจักรสุเรียกว่าจักรสุวิญญาณวิญญาณที่เกิดวิญญาณนี้แปลว่ารู้แจ้งโดยประการต่างๆเนี่ยนะรู้แจ้งสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะไอรู้แจ้งทางตาที่เกิดจากตาเรียกว่าจักรคูวิญญาณรู้แจ้งทางหูที่เกิดจากหูเนี่ยนะเรียกว่าโสตาวิญญาณรู้แจ้งทวารจมูกที่เกิดจาก จมูกเรียกว่าขานะวิญญาณรู้แจ้งทางลิ้นที่เกิดจากลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้แจ้งทางกายที่เกิดจากกายเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เป็นชื่อของวิบากจิตในภูมิสามเวทวิปัญจะเนี่ยนะก็คือพวกสัมปติชนะสันติระนะปฏิสนทิภวังตธาลัมมนาะและก็จุติทั้งหลายเรียกว่ามโนวิญญาณเนี่ยนะ วิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะสังขารสังขารก็คือกรรมเพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดอนะทรายละเอียดถลายลงลึกจริงๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายอย่างเช่นว่ากรรมอะไรเนาะเป็นปัจจัยจึงเกิดจากครูวิญญาณกรรมอะไรเป็นเหตุให้เกิดโสตาวิญญาณกรรมอะไรเป็นเหตุให้เกิดธาราวิญญาณกรรมอะไรที่ทําให้เกิดชิวหาวิญญาณกรรมอะไรที่ทําให้เกิดกายะวิญญาณกรรมอะไรเป็นเหตุให้เกิดมโนวิญญาณที่เป็นสัมปติชันะกรรมอะไรที่ทําให้เกิดมโนวิญญาณ ที่เป็นสันตีรณะกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดมโนวิญญาณที่เป็นตถาลัมมณะกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยแก่ผวังวิญญาณกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยแก่จุติวิญญาณเนี่ยนะเพะนั <house> ้นกรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคําว่ากรรมก็เป็นชื่อของกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมเพราะคําว่าสังขารก็คือกายกรรมวัจจิกรรมมโนกรรมเทรวกายสังขารวัจีสังขารและมโนสังขารนั่นเอง ทันสังขารคือกรรมเกิดเนี่ยนะคือวิญญาณเนี่ยเว้นเน้นวิญญาณที่เป็นไปในปัจจุบันถ้าไม่มีกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันจะมีไหมกรรมในปัจจุบันก็มีไม่ได้เพราะกรรมมีกรรมในอดีตนั่นแหละวิญญาณในปัจจุบันจึงเกิดขึ้นมีวิญญาณเพื่ออะไรก็เพื่อมาทํากรรมจะได้มีวิญญาณต่อไปในอนาคตเนี่ยนะว่าพวกบริษัทนี้ขยันต่อมากเลยนะสายสัมพันธ์ในวัตฏะเนียวแน่นมากถ้าไม่มีอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดอย่าหวังเลยว่าจะตัดได้เนี่ยนะยากเหมือนกนเพราะว่ามี เรีว่าประนัดประชุมเพื่อการประชุมจะได้นัดประชุมใหม่ไงก็สังสารวัตรนี่กฎเกณฑ์เขามีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันมีแต่ว่าอาดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลต่อไปทุกครั้งที่มีการประชุมกันเพื่อทํากิจเหล่านี้ก็อยู่เท่านี้ไม่มีจบมีสิน้นหมายก็ว่าอะไรเนะี่ยอ่ากว่าจะสแสวงหามาได้เพื่อมีอาหารทานทานเสร็จทําไมจะได้ไปสแสวงหาอาหารมาทานต่อเขามีอยู่เท่านี้แหละ ก็เลยเรียกว่าธรรมาหากินเงาะกันจบมีสิ้นวาระต่อไปข้อ1 2ึ่เนี่ยนะพระพิสูจน์เหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนายินดีภาษิตของท่านภาษารียบบทแล้วก็กล่าวว่าสาธุใต้เท้าเงาะกันสาธุพันเตนะสาธุใต้เท้าอย่างนี้ก็กราบเปลี่ยนถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับท่านภาษารียบบทว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่ปริยาย แม้อย่างอื่นที่จะเป็นเหตุให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ภาษาธรรมก็ตอบว่ายังมีอยู่อวุโสและก็กล่าวว่าอาวุโสด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดสังขารรู้ชัดเหตุเกิดสังขารรู้ชัดความดับสังขารรู้ชัดข้อปฏิบัติใหถึงความดับตายแห่ง สังขารด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอวุโสอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ถามว่าสังขารคืออะไรเหตุเกิดสังขารคืออะไรความดับสังขารคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารคืออะไรตอบว่าสังขารมีสามคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารเนี่ยนะ กายสังขารก็คือกายสันเจตนาก็คือกายกรรมวจีสังขารก็คือวจีสันเจตนาก็คือวจีกรรมจิตตสังขารก็คือมโนสันเจตนาก็คือมโนกรรมอ่านะกรรมทั้ง3ทั้งกายกรรมวจีกรรมเพราะอะไรเกิดบอกเพราะอวิชชาเกิดกรรมจึงเกิดเพราะอวิชชาดับก็ดับกรรมแม้อวิชชานี่เลวร้ายมากเพราะแปลวิชชาแท้ๆจึงเป็นกรรมเนี่บกปิดซะให้ทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดถ้าเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่เลือกทำกรรม เลิกเป็นกรรมกลายเป็นอะไรเป็นกิริยาไงถ้าสัมผัสนิพานเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็กลายเป็นกิริยาหมดสภาพแห่งความเป็นกรรมนี่นะอริยมรักษ์อันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารเนี่ยนะยาก็คือขนาดเดียวนี่แหละรักษาได้ทุกโรคคืออริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8มี4ี่แคปซูลอะ้ มีอะไรบ้างสมาธิิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิเมื่อใดแลอาวุโสอริยสาวกรู้ชัดสังขารอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดความดับสังขารอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยได้บรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิมานะ ว่าเราออกได้และวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่านี้แลอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตว์ธรรมนี้คำว่าสังขารเนี่ยนะรู้ชัดสังขารเหตุเกิดความดับแล้วก็ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารสังขารแบ่งเป็น3อย่างคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารกายสังขารก็คือเป็นชื่อของเจตนา20น่สิบนะก็คืออะไรกุศลแปดมหากุศล8อกุศล12ที่เกิดโดยการเคลื่อนไหวทางกายเป็นไปทางกายเรียกว่ากายสังขารเพราะว่าการขยับตัวทางร่างกายมันก็มีอยู่แค่่คนี้แหละคือ อ่านนะไม่กุศลก็อกุศลกุศลก็ไม่เกินแปดอกุศลก็ไม่เกินสิบสองคำพูดที่ขยับวาจาก็มีอยู่ยี่สิบก็คือกุศลแปดอกุศลสิบสอส่วนทวารใจมียี่สิบเกยเก้าไม่ใช่สิเก้านะแก้นิดหนึ่งยี่สิบเก้าว่างั้นอานานะมโนสังขารหรือจิตแต่สังขารคืออะไรคือโลกิยะกุศลสิบเจโลกิยะอกุศลสิบสองรวมเป็นยี่สิบเกที่เกิดขึ้น แก่ผู้อยู่ในที่ลับโดยไม่ทําเคลื่อนไหวทางกายและวาจานิ่งทางกายไม่ขยับวาจาเลยนี้เรียกว่าจิตตสังขารก็คือไม่ทําวิญยัตทางกายและวาจาสังขารคือเจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เรียกว่ากายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารล่วงมาทางกายวาจาเหล่านี้เกิดเพราะอะไรก็อบอกเพราะอาวิชชาเกิด อวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารที่เป็นกุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยโดยปัจจัยสองปัจจัยนะอวิชาเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยกับโดยอารัมมณะปัจจัยส่วนอวิชาเป็นปัจจัยที่เป็น เ, เป็นปัจจัยแก่อกุศลโดยสหชาติปัจจัยบ้างนะแปลงง่ายๆว่าโดยสหาชาตชาติบ้างอันันตระชาติบ้างอุปนิสยชาติบ้า ง, างอารัมมณชาติบ้างได้หลายปัจจัยด้วยกัน อันนี้เรียกว่าเพราะอาวิชชาเกิดนั่นแหละสังขารคือกรรมจึงเกิดถ้าดับอวิชชาได้กรรมก็ดับโดยประการทั้งปวงแต่ก็มรรคแปดนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกรรมถ้าเห็นโทษของกรรมจริงๆก็ต้องเจริญมรรคแปดส่วนโมหะนี่แมก็เ<ม>ท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็กล่าวถึงสัมมาทิฏฐิตั้งแต่วาระไหนตั้งแต่ชารามรณะอ่นนะอนะชรามรณะชาิ พบอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขาร11อแล้วนะอวิชาวลัวก็ได้11เท่ากับวันนี้เรียนญาณวัตถุ44ทั้งโดยย่อและโดยพิสดารมัน44บุกคูณสองเท่ากับ88เท่ากับเรียนญาณวัตถุ88หัวข้อใหญ่เนี่ยนะปรนะากาศอริยสัจอยู่ ไรประกาศอริยสัจอยู่22ครั้งนะที่ฟังมาทั้งหมดปประกาศอริยสัจอยู่22ครั้งยังไม่กระเทือนอวิชชาของเราเลยใช่ก็ด้วยบุญกุศลที่ฟังสัมมาทิฏฐิสูตรก็ขอจงเป็นปัจจัยแห่งโลภียสัมมาทิฏฐิและโลกุตระสัมมาทิฏฐิโดยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้อนุโมทนากับทุกท่าน